มาดูนิวรณ์แบบภาคต่อเลยเนาะได้กี่นิวรณ์ไปแล้วนิวรณ์ทั้งหมดมีห้านะคือการมาฉันท่านิวรณ์พยาบาทนิวรณ์อะไรอีกทีนามิท่านิวรณ์มาขึ้นนิวรณ์ที่สี่ก่อนคืออุทจักกุกกุจานิวรณ์หน้ายนะี่สิบเนาะเมื่ออุทจักกุกกุจานิวรณ์เนี่ยนะมีอยู่ณภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจะมีอยู่ณภายในจิตเมื่ออุทจักกุกกุจะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุทจักกุกกุจะไม่มีอยู่ณภายในจิตอันหนึ่งอุทจักกุกกุจะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทจักกุกกุจะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุทจักกุกกุจะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย มีอยู่ห้าคำด้วยกันอุทจักกุกกุจักที่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดเนี่ยนะรู้ชัดว่าอุทจักคือความฟุ้งซ่านเนี่ยเกิดขึ้นในจิตจะเห็นอุทจักชัดมากตอนไห น, นูตอนที่ปารพบจะเจริญส ม, มะถะอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติ น, นะถ้าเริ่มจา ก, กําหนดลมหายใจเข้าออกนะเริ่มเข้ามาแล้วนะไปเรื่อยหรือตอนที่จะเจริญกรรมาฐานเอาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งมาปารพ อันนั้นแหละอุทจจะจะเข้าคือเห็นตรงนั้นนะ่ะเห็นชัดอนะเวลาอื่นไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สนใจนักกันนะแต่เวลาอื่นอย่างเช่นเวลาที่อกุศล ท, ทั่วไปเกิดพูดคุยเรื่องทั่วไปที่จริงอุทัจเกิดตลอดแต่จะชัดมากๆคือเมื่อต้องการจะเจริญสมาธิให้จิตเนี่ยสงบจะได้พิจารณาธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งอันนะตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเอ๊ะเบลเบลอแล้วนี้เนี่ย น, นี่คือมันจับไม่มั่นอ่ะนะมัน มันจะว่ามันไปเรื่องอื่นมันก็ไม่ไม่ใช่ไอใจอยู่มันก็ไม่ใช่มันไม่ชัดสักอย่างอ่ะนะก็นะจนพันเธอถ้าทั่วๆัไปก็คือเหมือนกับตามม่ๆนะถ้าอ่านหนังสือก็ก็อยู่กับหนังสือแหละแต่ว่าตามันโม่หมดแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นนะไออุทจจะที่มันเกิดขึ้นก็ลักษณะนั้นท่านบอกว่าอุทจจะเนี่ยฟุ้งในอารมณ์เดียววิจิกิจชาก็ฟุ้งเหมือนกันแต่ฟุ้งไปในหลายอารมณ์อย่านะ้ อุทจจะคืออยู่ในอารมณ์นั่นแหละแต่ว่ามันฟุง้งก็อย่างที่โอปามาเมื่อกี้ว่าคืออยู่กับหนังสือนั่นแหละแต่ว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะนะมันเบลเบลมันกระจายไปหมดเลยนะมันพร่าไปหมดอ่ะตาพร่าไปเ อ, อสมมุติว่าเรากําลังพิจารณาพุทธานุสติอยู่นะฮะกลังไล่มาเรื่อยเลยนะไล่มาเรื่อยเยสมมติสูดได้สูดหนึ่งนะเสร็จแล้วก็มาได้สักสามหัวข้อหัวข้อที่สี่บนแว บ, บไปอย่างนี้อย่างนี้ถืออุทจารึเปรับ มันแวะไปเรื่องอื่นนะแล้วก็ถ้าบอลรูตัว ก, กลับมาขอคอทถ้าถ้าทัา่ว <ๆ S 2> ไปก็เป็นลักษณะของแล้วแต่สิ่งที่คิดบางทีก็เป็นการมวิตกต้มีและเวลาแวะกไเป็นเรื่อ ง, องวิตกวิต ก, น, กนำตกแต่แว่าในขณนะนั้นก็มีอุทะจะเกิดร่วมด้วยเนี่ยนะอุทะจะเกิดร่วมด้วยแต่ที่ไอ้แวบออกไปอย่างนั้นเนี่ยคือวิตกนะนะถ้าคิดเรื่องที่พอใจก็เป็นกรมวิตกถ้าไป วิตกก็ไม่ชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปงั้นก็พยาบาทวิตกแทรกเนี่ย น, นะอากูศลวิตกแทรกแต่พยาบาทมันก็อยู่ในในนั้นแหละแต่ว่ามันไม่สงบไม่ อ, นนอ ะ, อระไระเอเดี๋ยวจะกล่าวครั้งหลังต่อไปเนี่ย น, นะนยแต่พูดถึงอุทัจ า, าก็คือฟุ้งในอารมณ์เหมนะคือมันเบลอเลมันอยู่ในที่นั้นแหละมันไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่า มันไม่ชัดเจนนะนะมันสายท่านบอกว่าอุทะจะกุกุจะย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในความไม่สงบแห่งใจคืออาวุปัสมะเนี่ยนะอาการที่จิตไม่สงบโดยอัตถะคาว่าอาวุปปสมะนั้นก็คืออุทะจะกุกุจะนั่นเองเมื่อพโยคาวจรยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย ให้เป็นไปมากๆในความไม่สงบแห่งใจนั้นอุทจักกุกกุจะ ย, ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายความไม่สงบแห่งใจมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งใจนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งอุทธักกุกกุจะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อทาให้อุทจักกุกกุจะที่เกิดขึ้นแล้วภัยบุญยิ่งขึ้น อุทจักกุกกุจานั้นจะละได้ด้วยการทาไว้ในใจในความสงบกล่าวคือสมาธินี่นะดูก่อนพิสูนทั้งหลายความสงบแห่งใจมีอยู่การทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งใจนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดแห่งอุทจักกุกกุจา่าที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อละอุทจักกุกกุจา่าที่เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละก็สองคำนะอะวูปะสมะ กับนะวูปัสมาใช่ไหมอันนี้แปลว่าความสงบอันนี้ก็คือความไม่สงบคําว่าความสงบเนี่ยนิ่งอยู่เฉยๆหรือว่ายังไงท่านบอกว่าสงบด้วยอาการสองสงบด้วยสมถะอย่างหนึ่งกับสงบด้วยวิปัสนาอย่างหนึ่ง ถ้าถ้าอาการที่ไม่สงบก็คือปรารบถึงกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนไพวกนี้คือความไม่สงบเถ้าอุทธะกุกุจะเวลาจะเกิดขึ้นก็ปรารบถึงความไม่สงบเหล่านี้คือปรารบถึงทุจริตกรรม โดยเฉพาะกุกุจจะเนี่ยนะอธิบายว่าไงพู้กัรกุกุจะคือระลึกถึงความชั่วที่ตัวเองทํามาแล้วอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือปรารภถึงความดีที่ยังไม่ได้ทําอันนี้ลักษณะของกุกุจะ น, นะว่าบาปที่เราทําไว้นี้มีอยู่ น, นะ ว่าชัดๆก็ถ้าเป็นท่าพิสูจนก็อาบัตยังติดตัวอยู่ยังไม่ได้ปลงเลยเพราะงกันตอนนี้ก็ไม่มีใครให้ปรองด้วย น, นะก็ไม่รู้จะไปปรงกับใครยังไงนะเอาละเริ่มละเดือดร้อนขึ้นมาไอ้กุกุจะนี่มันเกิดร่วมกับโทสะ น, นะความเดือดร้อนใจก็ขึ้นมาเช่นว่าเป็นอาบัตคําว่าเป็นอาบัตในที่นี้ก็คือเท่ากับว่าล่วงศีลแล้วนะ ท่านล่วงศีลมาแล้วก็อันนี้คิดถึงความชั่วที่ตัวเองทำไปยังไม่ได้ปรองดองอันนี้คือความดีที่ยังไม่ได้ทำเห็นไหมอันนี้คือความดีที่ยังไม่ได้ทำ ถ้าล่วงอาบัติถือว่าเป็นความไม่ดีที่ตัวเองละเมิดไปแล้วเวลาคิดถึงทั้งสองอย่างนี่นะเดือดร้อนใจทั้งคู่ทั้งขณะนั้นอุทธกุกุจจะก็เกิดขึ้นทีนี้คําว่าเป็นอาบัตของโยมก็คือผิดศีลหรือว่ายังไม่ได้ให้ทานเนี่ยนะยังไม่ได้ทํากุศลไว้เลยนะอากุศลนี่ทําไว้บาน กูสลก็ยังไม่ทันได้ทำพวกนี้แหละจะเริ่มพอคิดปั๊บแล้วก็เดือดร้อนขึ้นมาแล้วนะถ้ายิ่งไปคิดถึงบาปใหญ่ๆด้วยแลยนะถ้าบางคนเคยทำปานาปาณาติบาตถ้าปาณาติบาตกับมันแล้วแต่ประเภทของสัตว์ที่ทำปาณาติบาตไปนะถ้าผู้ที่คิดถึงปาณาติบาตในเดรัจฉานก็เดือดร้อนน้อยหน่อยถ้าเทียบกับพวกทาปาณาติบาตกับคือฆ่ามนุษย์มาอย่างนั้นนะ พวกนี้ก็จะเดือดร้อนแรงแต่ว่าพวกทาบาปมนุษย์เนี่ยเดือดร้อนมากแต่ว่าไม่พ่อยพูดมากทําไมเพราะมันผิดกฎหมายถ้าทําปาณาติเดรฉาณ น, นะเช่นฆ่าปลาฆ่าอะไรเนี่ยนะพวกนี้พวกพูดมากแต่ว่าไม่เดือดร้อนมากนะักนะก็แล้วแต่ที่ความผิดที่ไปทําผิดมาเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะก็รู้แก่ใจยอยู่แล้วช่พอไปคิดถึงปั๊บก็ มันก็เหมือนคิดถึงแผลนะคิดถึงที่สิ่งที่มันมีโทษแล้วก็คิดถึงไอ้ความดีที่ตัวเองยังไม่ได้ทําเครื่องป้องกันอะไรเอาไว้เลยลักษณะนี้ ก, กุกุจจะก็เกิดขึ้นพันธุ์วิธีสร้างกุกุจจะก็คือคิดถึงความชั่วบ่อยๆก็ได้ที่ตัวเองทําไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวก็เดือดร้อนใจเองแหะ <c oughs> นะแล้วก็ถ้าแล้วก็คิดถึงบุญที่ยังไม่ได้ทําอ่ะนะ <c oughs> คิดถึงกุศลใดที่เรายังไม่ทันได้ทําแล้วคิดอย่างเงี้ยก็จะกุกุจจะก็จะเกิดขึ้น ทีนี้กุกุจะกับอุทะจะมันมาคู่กันนั่นนะคือกุกุจะอุทัจะทั่วๆไปก็มีอยู่กระทั่งเกิดร่วมกับโลภะเกิดร่วมกับอะไรกุจะอุทัจะก็เกิดแต่ว่ามันชัดมากก็คือตอนที่กุกุจะมันเกิดเนี่ยนะนึกถึงความชั่วด้วยเดือดร้อนด้วยฟุ้งซ่านด้วยก็คิดอย่างนี้บ่อยๆอันนี้ก็คิดลักษณะนี้มากๆนะด้วยอโยนิโสมนสิการคี่ไปอย่างเงี้ยพวกนี้จะเดือดร้อนใจ มีก็ซื้อมาแล้วแต่ก็ยังไม่ค่ได้อ่านบ า, างนะเลยนิดนึง<ช>ครับลักษณะเนี่ยไงปตายวิดกก็มีแล้วอ่านก็ไม่ทันได้อ่านตาก็จะเสียอยู่แล้วอะไรงี้ยไงนนตาก็จะเสียก็คือคิดไปคิดมาแล้วสรุปว่าบาปทําแล้วบุญไม่ได้ทําว่ารวมรวมมัะนะมีอยู่เท่านั้นแหละพอยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่สบายใจยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่สบายใจแ้่แก้งไงอ่ะน้อยมากก็ไปคิดเรื่องอื่นซะไปเป็นกามวิตกแทนกันแล้วกันโดยทั่วไปเขาจะแนะนําแบบนั้น แต่จริงๆท่านบอกว่าให้ให้มีโยนิสโสมนสัสการในในความสงบความสงบก็คือให้ปรารพให้เป็นไปกับสมถาวิปัสนาบางแห่งก็คือถ้าผิดศีลมาก็ทำคืนซะเคือทั่วๆไปนะถ้าเป็นของคารวะทำไงก็ถ้ามันผิดไปแล้วก็ตั้งใจสมาทานศีลใหม่ คือให้เห็นโทษนะโดยความเป็นโทษเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วตั้งใจสังวรต่อไปอันนี้เป็นความเจริญในาศาสนานี่ยนะ ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหทบาปไปแล้วก็เป็นนึกแหมเดือดร้อนใจใหญ่เลยนะฉันต้องรับผิดชอบอย่างเงี้ยนะเออถ้าไปทุบ ป, ปลามาใหนะ้ก็ทุบหัวคืนอย่างนี้หรือเปล่าต้องรับผิดชอบไม่ใช่อย่างนั้นคําว่ารับผิดชอบหมายคำว่ามันเกี่ยวข้องกับสังคมทั่วทวไปที่ต้องเข้าไปรับผิดชอบแต่ถ้าบาปทั่วๆไปที่ทําอ่ะนะมันก็ชื่อว่าทําเหตุที่ไม่ดีเอาไว้แล้วเมื่อทําเหตุที่ไม่ดีเอาไว้แล้วเนี่ยนะถ้าเราจะปรารถ เพื่อที่จะกระตุ้นวิริยะสัมโพธิชมก็ไม่มีปัญหาเนี่ยนะแต่ถ้าคิดแล้วเสียใจไม่สบายใจเดือดร้อนใจอย่างนี้ไม่ควรคิดเนี่ยนะอย่างนี้ไม่ควรคิดก็ให้ให้ลักษณะพยายามสมาทานบ่อยๆเนี่ยนะเพราะสีเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของการสมาทานใช่ไหมการสมาทานการอธิษฐานะนะหมั่นสมาทานบ่อยๆอธิษฐานบ่อยๆถึงความ ตั้งใจสัมรวมระวังบ่อยๆเนี่ยนะเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วสัมรวมระวังอันนี้แหละเป็นความเจริญในาศาสนานี้ น, นะแต่ว่าบางเรื่องก็ถ้าเป็นพระพิสุถ้าเป็นอาบัติบางอย่างท่านท่านก็มีวิธีแก้เช่นว่าถ้าปาติโมขสังบอนอันนี้ท่านให้ทําคืนเช่นถ้าเป็นสมมตินนะเป็นปาราชิกก็บอกว่ามีสองทางคือไปเป็นฆฤหัต กับเป็นสัมมณีใชก็อันนี้วิธีออกถ้าเป็นสังฆาธิเศษก็อยู่ปริวาทเห็นไหมปริวัดก็คือไปอยู่รอบมันนะไปอยู่ชดใช้กรรมตามตามสํานวนตามตามสังหลักสังฆกรรมถ้าเป็นอบัติต่ําลงมากว่า น, นั้นก็ที่เรียกว่าปลงเนี่ยนะก็แสดงคืนนะไปบอกว่าข้าพเจ้า ไปผิดอบัตอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทำคืนถ้าอันนี้นี้ในชุดที่หนึ่งนะถ้าที่สองถ้าเป็นอินทรีสังวรํำนวนว่าไปปล่อยปล่อยใจอย่างนั้นเถอะปล่อยใจให้มีอภิชาปล่อยใจให้เป็นพยาบาทเนี่ยนะให้อธิษฐานอันนั้นบริสุทธ์ด้วยการอธิษฐาน ว่าจะไม่คิดแบบนี้อีกต่อไปนะจะไม่ดูสิ่งนั้นอีกต่อไปจะไม่ฟังหรือจะที่จะไม่ดูไม่ฟังเพื่อให้อภิชาและโทมานัตเกิดอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าบริสุทธ์ด้วยการอธิษฐานอินทรีสังวรศีลบริสุทธ์ด้วยการอธิษฐานต้องหมั่นอธิษฐานบ่อยๆนะว่าจะไม่ปล่อยให้อภิชากัะโทมานัแบบนี้เกิดเช่นอกุศลวิตกเกิดก็ไม่สังวรทางใจใช่หก็อธิษฐานว่าจะไม่คิดแบบนั้นต่อไป ส่วน so, ปัจจยสันนิสิตศีนก็ปัจจเวกถ้ายังไม่พิจารณาก็รีบพิจารณาซะพิจารณาให้เสร็จเลยเนี่ย น, นะอะไรที่ยังไม่ได้พิจารณาก็พิจารณาไปเลยเนี่ย น, นะเช่นใช้สอยผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยาที่ยังไม่ได้พิจารณาก็พิจารณาไปเลยเนี่ย น, นะแกเรียกว่าปัจจเวกสุธิส่วนข้อที่สี่นะอ่าอะ อาชีวะก็อันนี้ใช้ความเพียร น, นะใช้ความเพียรเพราะว่าอาหารที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความเพียร น, นะเช่นพระพิสุทธท่านกยกตัวอย่างว่าบินทบาตนะอย่างงี้ย น, น ะ, ะการทำคืนในสิ่งเหล่านี้นะก็ก่อให้ให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจนผู้ที่คิดถึงว่าท่านทำคืนไม่หมดแล้วนั่นนะโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวมาท่านก็จะ สบายใจเนี่ยนะนึกถึงความบริสุทธิ์ของศีลเพราะในใ น, ในพระไตรปิฎกจะพูดถึงว่าท่านจะคิดถึงศีลก่อนที่ท่านว่าคิดถึงศีลก็คือคิดถึงความบริสุทธิ์ของศีลทั้งสีประการคือคิดถึงความบริสุทธิ์ของปาติโมกอย่างหนึ่งของอินทรีสังวรอย่างหนึ่งของปัจจัยสี่อย่างหนึ่งของอาชีพอย่างหนึ่งพอท่านพิจารณาอย่างนี้อะไรเกิดต่อปปรามโมชก็เกิดใช่ไห ปราโมทก็เกิดถ้าปราโมทเกิดก็ก่อให้เกิดปีติปีติเนี่ยมันตรงกันข้ามกับกุกกุจจะตรงตรงเลยเนี่ยนะปีตินัมันตรงกันข้ามกับกุกกุจะเพราะกุกกุจะมันเกิดใจนี่มันแห้งหมดเลยยิ้มก็ยิ้สมมนสำเนาเลยิ้ม อ, ไ อ, อะไรนะเจีอนเจียนเนยยิ้มยังไงยิ้มแบบคนไม่อยากยิ้มอ่ะนะยิ้มแบบนั้นนะไม่ธรรมดานะ ยิ้มแบบแห้งแรงอะนะไม่อยากยิ้มก็ต้องยิ้มเนี่ยนะถ้าปีติก็ก่กอให้เกิดอะไรถ้าเจริญถูกต้องก็ปัสสัตทิเนี่ย น, นะปัสสัทิก็ก่อให้เกิดความุกใช่ไหมุกก็ก่อให้เกิดอะไรสมาธิคือสงบหมายถึงสงบแล้วก็เป็นไปเพื่อวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ฟุ้งซ่าน ท่านว่ากันถ้าไม่อยากให้เดือดร้อนรําคาญใจก็คิดถึงความสงบเหล่านี้เอาไว้ให้มากคิดบ่อยๆเนี่ยนะคิดถึงกุศลคิดถึงความดีที่ทำไปสมถะเช่นคิดถึงอนุสติสิบก็ได้ใช่ไหมคิดถึงพรหมิหารก็ได้จะ so, คิดถึงบุญคิดถึงกุศลที่สํานวนว่าคิดถึงเรื่องดีๆนะเอาไว้ใจมันก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้น ถามว่าทำไม่ได้อะไรเลยก็อนุสติมากง่ายมากคือสวดมนต์เล ย, ยนะเขาเกิดมาเขาพาสวดได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะก็สวดเลยทําอะไรไม่ได้ก็ตั้งน้มโมวันละพันรอบก็ได้น้มโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะถ้าแปลด้วยก็ยิ่งดีเลยนะก็ว่าไปสวดแปลไปอย่างเงี้ยนะว่าซ้ําๆๆๆๆๆอยู่นั่นแหละจนกว่าจะสบายใจอ้าวทีนี้ถ้าสบายใจแล้วทําอะไรต่อไม่ใช่ประมาทต่อนะ ไปเจริญกุศลใหม่ไม่ใช่กลับไปหาเหตุใหม่ไม่ใช่นะนนกนนแกช่วยได้เยอะเนี่ยนะคือคนที่ที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะควรจะศึกษาหรือว่าเรียกว่าว่างๆเอาพระไตรปิฎกมาพลิกดูบ้างพลิกแบบไม่อ่านะนะให้รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนไว้บ้างเสร็จแล้วก็ค่อยมาดูว่าตอนนี้เราฟุง้ง ไปหาหนังสือไปเอาพระตไตรปิฎกเล่มไหนมาอ่านให้ให้เรียกว่าช่วงฟุ้งแล้วมันอ่านมันอ่านรู้เรื่องอ่ะนะเช่นไปอ่านชาดกมันเป็นเรื่องเป็นราอยู่แล้วอย่างนั้น ก, ก็ก็ไปอ่านชาดกไปอย่างนั้นแต่ถ้าโอ้โหตอนนี้สงบมากเลยเออเอาพิธรรมมาอ่านเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็หาเราว่าหาให้หานังหาพระตไตรปิฎกเล่มที่เหมาะกับอัธยาศัยตัวเอง คืออย่าอย่าไปกําหนดว่าแม้ถ้าจับเล่มไหนต้องเล่มนั้นต้องจบถ้าบุญไม่ดีนะมันไปจับเล่มที่อ่านไม่รู้เรื่องนั่งกับประโยคแรกเลยนะชาตินั้นจำไม่ได้อ่านเลยเพราะแต่พิดกนี่นะอย่าไปตั้งอะไรไว้มากขนาดนั้นคือคนจริงเนี่ยบางทีนะ่ยนะมันจริงมากมันขวานก็บิ่นเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาก็ใช้วิธีเนี่ยนะถ้าเราชอบคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาเอาชาดกมานั่งอ่าน ยังไงยังไงก็เก็บข้อมูล น, นี่ต่อไปนั่นหน้า21เลยพูดถึงธรรมะ6ประการเพื่อละอุทจักกุกุจจะอีกอย่างหนึ่งธรรมะ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละอุทจักกุกุจา ก, ก็คือความเป็นผู้สดับมากความเป็นผู้สอบถามความเป็นผู้ชํานาญในพระวินัยการคบหาผู้เจริญความเป็นผู้มีกาลยานามิตรการกล่าวถ้อยคําที่เป็นสปายะนั่นเ ข้อแรกก่อนนะว่าพระโยคาวจรแม้เรียนนิกายหนึ่งหรือว่า2นิกาย3มนิกาย4นิกาย5นิกายเนี่ยนะทั้งโดยบาลีและอัตถก า, าย่อมละอุทะจักกุาากุจะได้คือที่ละได้นี่เพราะอะไรก็เพราะคิดถึงคําสอนแทนนาะนะแทนที่จะฟุ้งไปทั่วไปก็คิดถึงธรรมะแทนนะแทนที่เอ้ยนี่ฟุ้งแล้วนะก็สาธยายคมภี์แทนเน่ยนะ สาธยายแทนตาราลบธรม ร, ร, ธรมะแทนไข่ครวนธรรมะแทนมันระหว่างที่ตรึกธรรมะไข่ค ร, ครวนธรรมะก็กละอุทธจธักกุกุจรรรักได้ของเราอย่างตอนนี้ถ้าไม่ได้อะไรก็เนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกว่าระหว่างที่อ่านอยู่ก็ละได้แหละเนี่ยนะระหว่างที่ฟุ้งอยู่ก็ละเนี่ยนะระหว่างที่เดือดร้อนใจไม่สบายใจก็ไปอ่านธรรมะที่ที่เราอ่านแล้วสงบอ่านแล้วสบายใจเนี่ยนะอ่านไปเถอดเดี๋ยวก็ไปเจอสู่ที่เราสบายใจได้แหละเนี่ยนะ หรือว่าอาจจะท่องไว้สักสูตรหนึ่งที่คิดถึงสูตรนี้แล้วสบายใจเลยนะก็ท่องเอาไว้ไรำสาทยายบ่อยๆก็สบายใจนะนะั่นแหละถ้าผู้ที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็อิตธิปิโสสาทยายบ่อยๆคิดถึงบ่อยๆก็สบายใจนันะต่อไปว่าแม้พระโยคาวจรผู้มากไปด้วยการสอบถามซึ่งสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรนะนะก็ไปถามผู้ที่มีความรู้ ในเรื่องนั้นน่ะ น, นะสงสัยพระวินยัยก็ไปถามวินยัยทอนสงสัยอภิธรรมหรือพระสูตรก็ไปหาผู้ที่แตกฉานพระสูตรถ้าการสอบถามผู้ที่เขาตอบได้ในเรื่องนั้นน่ะก็จะละความสงสัยความฟุ้งซ่านไปเยอะเนี่ยนะความเดือดร้อนใจเนี่ยนะนการสอบถามก็ช่วยได้เยอะบอกว่าสมัยที่ควรเข้าไปหากลรายานามิตรเนี่ยนะก็คือสมัยเนี่ยสมัยที่เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาก็ควรเข้าไปหาละ ตอนที่เราไม่สบายใจเนี่ยควรเข้าไปหาอย่างสมัยก่อนอย่างดูในเทรีคถาจะเห็นชัดเลยพระเทรีที่กุศลไม่เจริญท่านจะเข้าไปหาอาจารย์ท่านนะท่านจะเล่าให้ฟังว่าท่านตอนนี้ท่านคิดอย่างนี้อยู่นะท่านไม่สบายใจอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ท่านก็จะแสดงธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งให้ฟังนะนะแล้วก็สบายใจนั่นแหละก็มีใช่ไหม ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ก็ทีนี้ต้องไอการที่จะเล่าปัญหาทั่วๆไปก็ก็รู้นะรู้ว่าถ้าถามวินัยก็ต้องไปถามพระวินัยทรไม่ใช่ว่าไปถามผิดที่ก็ไม่ใช่เนี่ยนะถ้าถามพศูก็ต้องไปหาคนที่แตกฉันพศูดมีความรู้พศูดดีเขาศรัทธาเรื่องนั้นอยู่แล้วก็รู้จักสอบถามเนี่ยนะไปหาคนที่จะช่วยให้เราสบายใจได้เนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเวลาไขขึ้นก็รู้จักหมอกันแล้วกันเนี่ยนะ ก็ก็ธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆว่าถ้าเหตุยังไงผลมันต้องออกมาอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นนะข้อ3ก็ความเป็นผู้ชํานาญเพราะมีความชํานาญอันสั่งสมไว้ในพระวินัยบัญญัติก็ดีคนแตกฉามพระวินัยจริงๆนะพอพอเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งคือนเขาจะนึกถึงคําสอนนั่นนะพอนึกถึงคําสอนปั๊บเขาจะรู้ว่าควรจะทํำยังไงนั่นนะเพราะว่าคําสอนจะบอกวิธีเอาไว้ทั้งหมดอยู่แล้วนั่นนะ พอเวลาเช่นเกิดเดือดร้อนใจเรื่องนี้นะความผิดแบบนี้แก้เพราะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเขาธรรมะก็บอกไว้สิ้นเชิงหมดแล้วนะหนึ่งสองสามก็ไปแก้ตามนั้นก็แก้ได้อยู่แล้วก็ไม่ยากเฉะั้นคนที่เรียนในพระวินัยมาเยอะมากๆเนี่ยนะก็ช่วยเยอะแต่ทีนี้ว่าปัญหาหลายๆเรื่องถ้าเกี่ยวกับศีลทั้งหลายถ้าเป็นพระพิสุก็ต้องอาศัยกัญญาณมิตรนะนะ ไอ้ความเดือดร้อนใจทั้งหลายแล่นี่นะถ้ามองแบบลทางโลกนะอย่าลืมว่าคือการเป็นหนี้อย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะก็ต้องหาที่พึ่งพิงได้นะเวลามีปัญหาก็เข้าไปหาที่เขาพอที่เขาจะช่วยเราได้อะ่ะเวลาที่เรามีปัญหาขัดสนด้านด้านธุรกิจทั่วๆไปนะก็ต้องมีที่พึ่งเขาวางกันลักษณะนี้ก็เหมือนกันที่ที่เรียกว่ารู้จักท่าน้ําดื่มเนี่ยนะรู้จักท่าน้ำเนี่ยนะถ้าเป็นคนเลี้ยงโคก็ต้องรู้จักว่าอ้าวตอนนี้ท่าน้ําอยู่ตรงนั้นนะเราต้องต้นโคไปหาท่าน้ํา แต่ทางโลกเขาบอกว่าถ้าทําธุรกิจก็ต้องมีผู้ที่เราพึ่งพิงถ้าทางพระพิสูจน์ก็คือหาครัวาจารย์ที่ที่เราคิดถึงที่ที่ท่านแก้ปัญหาให้เราได้เนี่ยนะหรือการเข้าไปหาท่านผู้เจริญพระธิระผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยนะอันนี้ก็ไปเช่นเราเดือดร้อนนะไปหาคนที่เขาสบายใจเราก็สบายใจตั้งแต่เห็นหน้าท่านแล้วอย่างนั้นะให้ท่านปลอบใจบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เขาก็ใช้กันอยู่นะ ไปหาก็มีผู้ที่รับเล่าเาเรียกว่ารับฟังปัญหาอย่างเดียวก็มีนะบอกว่าถ้ายิ่งอยู่ไปนานๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะฟังเขาเล่าให้ฟังอ่ะนะเขาเล่าจบเขาสบายใจเขาก็กลับนะนะี่ก็ติดเชื้อข้างในเอาไว้ต่อไปว่าการคบหากัลยาณมิตรผู้ทรงพระวินัยเช่นพระอุบาลีเถระก็ดีเธอย่อมละอุทะจะกุกุจะได้นะอันนี้ก็ อันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ดีนะก็อาศัยครูบาอาจารย์ก็ช่วยได้เยอะธรรมะเราก็บอกอยู่แล้วนะว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมอาจารย์วิธีแก้นิวรณ์นะทุกข้อเลยจะต้องมีคำว่ากาลยานามิตรอยู่ในนั้นทุกข้อนะนะดูนะนะนนะเพราะว่ากาลยานามิตรเป็นทั้งหมดของพรหมอาจารย์อยู่แล้วข้อหแม้ด้วยการสนทนาการกล่าวถ้อยคําที่เป็นสปายะ อันเกี่ยวกับสิ่งที่ควรและไม่ควรในอิริยาบททั้งหลายมียืนนั่งเป็นต้นเธอย่อมลักอุทาจักกุกุจจะได้นะเวลาที่เราสนทนานะพูดคุยในในปัญหา น, านั้นน่ะนะก็แก้ไปเยอะนะอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ก็มาสนทนากันแต่ปัญหาก็คือให้ไปสนทนากับคนที่เขามีความรู้หน่อยนะถ้าไปคุยกับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะยิ่งจะไปกันใหญ่เลยนะแทนที่จะสงบมากอาจจะฟุ้งมากขึ้นก็ได้ ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าธรรมะหประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละอุทจักกุกุจะเธอย่อมรู้ชัดว่าอุทจักกุกุจะที่ละได้แล้วด้วยธรรมะหประการนี้อุทจักกุกุจะอุทจะนะจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปด้วยอรหันตมักคกุกุจจะไม่เกิดต่อไปด้วยอนาคามีมัคพระอนาคามีเนี่ยนะจะละความเดือดร้อนใจได้หมดเลยพระอรหันจึงจะละความฟุ้งซ่านได้จริง ส่วนที่เหลือก็มีบ้างพระสกะทาคามีท่านก็เดือดร้อนใจบ้างเวลากุศลท่านเกิดเนี่ยนะท่านก็ไม่สบายใจอยู่เหมือนกันก็ถ้าทรงจำถ้อยคำที่แก้แก้นิวรทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็ไปแก้ตามที่ท่านแนะนำให้นั่นแหละ ต่อไปวิจิกิจฉานิวรณ์ว่าเมื่อวิจิกิจฉามีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิก ah, ิจฉามีอย ah, ู ai, y y ่ณภายในจิตเมื ah, ่อวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉาไม่มีอยู่ณภายในจิตอันนึ่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอ น, นออวิจิกิจชาก็หมายถึงความสงสัยสิบหประการใช่หมอันนั้นคือมีความสงสัยอยู่สองกลุ่มแต่ว่ากลุ่มแรกก็เช่นสงสัยในคนของพระพุทธเจ้าันนสงสัยในคำสอนว่าช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าสงสัยในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงไหม สงสัยในศิกขาสามว่าอธิศีและศิขาอธิจิตตศิขาที่ปัญญาศิกขาเนี่ยแก้ปัญหาได้จริงหรือเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามหรือว่าสงสัยในใ น, ในอดีตใช่ไหมสงสัยในอดีตอันยาวนานว่าสังสารวัตเป็นยังไงหรือว่าสงสัยในอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตและสงสัยในปฏิจจสมุปบาทพวกนี้เป็นความสงสัยที่เป็นวิจิกิจฉาแท้เลย